อย่างนี้เดี๋ยวหลับหมดหน้าตาจะหลับอยู่แล้วแล้ว <c oughs> ตื่นแต่เช้าเราอยู่กับโลกคุ้นเคยกับแสงสีขวเมืองอยู่ที่มืดๆนะงงหลวงพ่อก็เป็นแต่ก่อนเราเกิดในกรุงเทพนะเกิดมาก็เห็นแต่แสงไฟไปภาวนาตามวัดป่าแรกๆนะเดินชนต้นไม้เลย พอนาไม่ถูกเลยดูอะไรก็ไม่ถูกนะจนง ง, ง, งว่าเราดูด้วยลูกตาเหรอจริงๆภาวนาเรารู้ด้วยใจพอไม่มีแสงนะภาวนาไม่เป็ดแล้วชักงงก็ภาวนามาเรื่อยๆนะมีความสบายมีความสุขค่อยๆฝึกไปเออแต่บอกหนะ่อยพวกเราอย่าฟุ้งซ่านเยอะหลวงพ่อเห็นมีส่งอีเมลกัน มีรูปพระเยอะเลยนะแล้วก็เรื่องรอยยิ้มของพระอริยะเอารูปหลวงพ่อไปใส่ด้วยจะบ้าหรือองค์อื่นท่านเป็นพระอริยะก็แล้วแต่ท่านนะไม่ควรเอารูปหลวงพ่อไปใส่เหยียบเพยียบอาจารย์แบบนั้นนะไม่ดีเลยนะพวกเราชอบมาอุปโลกให้หลวงพ่อเป็นพระอริยะหลวงพ่อเคยประกาศเลยว่าฉันเป็นพระฉันนั้นฉันนี้ยังบอกเลยนี่พระปลอมนะน รูปโชว์เรื่อยๆนะนี่พระปลอบนะครับมาตั้งให้เราเป็นพระอริยะผู้มีอภิญญามีเจโตโทษทําทำไมไม่คิดอะไรให้มันแง่บวกบ้าง mm hmm. คิดแง่บวกก็คือหลวงพ่อเป็นพระกรรมฐานที่ปรับปรุงวิธีการสอนให้ทันสมัยแค่นั้นก็หมดเรื่องแล้วพ mm hmm. วกเราชอบมาตั้งให้หลวงพ่อเป็นอันนั้นอันนี้ให้คนเขาหมั่นไส้เล่น นั่นจำไม่นะหลวงพ่อเป็นพระกรรมฐานเฉยๆนะไม่ใช่พระทูดงกรรมฐานด้วยเขาไม่ได้ไปทูดงที่ไหนเลยตั้งแต่ภาวนามานะไม่ได้ไปทูดงที่ไหนหรอกเหมือนอาจารย์ตันอาจารย์ตันก็ไม่เคยทูดงท่านบอกท่านบวชมาแล้วก็อยู่แต่ในวัดไม่เคยไปไหนเลยนั้นเราเป็นพระกรรมฐานเฉยๆแล้วก็แค่พัฒนาวิธีการสอนให้มันเหมาะกับคนในเมืองเท่านั้นเอง เนื้อหาสาระมันก็คือสิ่งที่หลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์แต่วิธีที่ครูบาอาจารย์สอนมานะเข้มงวดกว่าที่สอนพวกเราเยอะเลยแต่ก่อนไปเรียนธรรมะกับท่านนะท่านบอกให้คำสองคําำเราภาวนากันแลมปีเลยกว่าจะเข้าใจแต่ละเรื่องเดี๋ยวนี้ถ้าบอกแบบนั้นพวกเราไม่ทําำต้องบอกให้ละเอียดเลยนะว่าต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้นะต้องสอนกระทั่งว่าจะเดินเดินยังไงดูสิพ่อแม่สอนมาให้แล้วต้องมาให้เราสอนอีกนะ จะเดินยังไงจะกินยังไงจะนอนยังไงต้องละเอียดละออมากเหลือเกินสมัยก่อนอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านไม่พูดเยอะหร อ, อยังครูบาอาจารย์รุ่นนี้นะบางองค์ท่านก็ยังแบบเก่าท่านสอนไม่พูดเยอะท่านทําให้ดูอย่างครูบาอนุสอนอยู่กับอาจารย์ถุยท่านบอกว่าอยู่พรรษาแรกนะอาจารย์ถุยสอนหนึ่งหนึ่งอย่างเองอนุสอนอย่าขี้เกียจเนอะพวกเราทําได้ไหม เรียนหนึ่งปีสอนหนึ่งประโยค์ว่าอย่าขี้เกียจนะพอพรรษาที่สองเดินผ่านกันอนุสอนพุโทโธไ้เดือปีที่สองให้พุโทโธพวกเราไม่ทำหรอกนะใจของเราทนไม่ได้หลอกเรารู้สึกความทุกข์เราเยอะเหลือเกนินทํากรรมฐานแบบกี่สิบปีจะพ้นทุกข์ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยคือใจของคนรุ่นนี้ไม่เหมือนใจคนแต่ก่อนนะ ก่อนเนี้ยอดทนมากเลยในการทำอะไรสักอย่างพวกเราไม่ค่อยทนออกอย่างเด็กเดี๋ยวนี้ย้ายงานบ่อย ย, ย้ยายทําำงานไม่กี่วันย้ายอีกแล้ว ย, ย้ายเวลาเขียนประวัติไปยื่นทิ้งอุประสบการณ์ทำงาน5้าสิบแห่ง <c oughs> แห่งละสิบห้าวัน <c oughs> <c oughs> เป็นหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อก็โยนทิ้งเลยไอ้คนคนนี้เอาไปทำอะไรเสียเวลาสอนงานมันทำนะไม่ได้ใจไม่อดทน เรียนกรรมฐานต้องอดทนมากเลยเพราะไะไรเราเรียนแต่ของเก่าเรียนเรื่องกายเรื่องใจกายกับใจซ้ําๆำซากซากอยู่อย่างเงี้ยเกิดมาก็มีกายมีใจมาเรียนเรื่องกายเรื่องใจซ้ำซากเรียนเรื่องที่จะต่อสู้เอาชนะกิเลสกิเลสก็ของเก่ามีแค่โลภโกรดหลงเรียนที่จะพัฒนาศีลสมาธิปัญญาฟังแล้วซ้ำซาก มีสติแล้วก็มีศีลมีสติมีสมาธิมีสติแล้วมีปัญญาฝึกสตินะหัดรู้กายหัดรู้ใจถ้าใจไม่ทนพอนะมันทนรู้ไม่ได้มันซ้ำซากต้องอดทนมากๆเลยในการที่จะรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกลงในใกายในใจนะความจะเห็นความจริงใจเรามันไม่ยอมเห็นความจริงหรอก มัจะคอยหาเรื่องว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเรากายนี้ใจนี้เป็นตัวดีตัววิเศษคอยคิดอย่างนี้เรืยกว่าจะเห็นความจริงนะว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นแต่ตัวทุกข์่โอ้ต้องสู้กันนานนะต้องทนมากเลยพวกเราภาวนาเนะี่ยมหัดเบื้องต้นในนี้ประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนไม่เกินะที่พวกที่ไม่ติดเพ่งนะแล้วพวกที่ไม่คิดมากอะใจมันก็จะตื่นขึ้นมา มีสติขึ้นมารู้กายรู้ใจได้แล้วมีความสุขภาวนานะโอ้มีความสุขอย่างการปฏิบัติธรรมนี้เต็มไปด้วยความสุขฝึกอย่างนี้นะสนุกใหญ่เลยเพลิดเพลินใหญ่ในการปฏิบัติหารู้ไหมว่านี่คือน้ําตาลที่เคลือบยาไว้ข้างในยาที่แสนจะขมอยู่ข้างในภาวนาแรกๆนะโอ้ตื่นขึ้นมานะปิ้งปิ้ปสใสช่นะีสว่าง โล่งเบามีความสุขมากฝึกไปฝึกไปแลเริ่มเห็นแต่ความทุกยืนเดินนั่งนอนเต็มไปด้วยความทุกขหายใจออกหายใจเข้ามีแต่ความทุกขเป็นสุขก็เป็นทุกนะเป็นทุก็ทุกเฉยๆก็ทุกมีแต่ทุกกระทู้ไม่มีอย่างอื่นเลยมีแต่ทุกอย่างเดียวเลยตรงนี้บางคนพอภาวนามาถึงตรงนี้นะทนไม่ไหวโอ้ยไม่อยากได้ไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นนะ แต่ถ้าฝึกพื้นฐานมาดีแล้วเนี่ยมันเลิกไม่ได้เสียท่าหลวงพ่อละสติมันอัตโนมัติขึ้นมาเมื่อไหร่นะเองไม่มีทางเลิกแล้วนอกจากเองจะทำเรื่องเหลวไหลนะไปทาเรื่องเหลวไหลหลงไปกับโลกอะไรเงี้ยมั่วๆไปวันๆแต่วันใดที่ความทุกข์บีบคั้นเข้ามาอีกนะความทุกข์รุนแรงบีบคั้นเข้ามาสติมจะมาอีกแล้งั้นเบื้องต้นเราฝึก มีสตินะเรายุติสึกมีความสุขเยอะเลยเพราะแต่เดิมเราหลงอยู่กับโลกคลุกอยู่ความทุกข์โดยที่เราไม่รู้ไม่เห็นจิตเนี่ยเคล้าเคลียอยู่กับอารมณ์ต่างๆนะจิตที่เคล้าอยู่กับอารมณ์เนี่ยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแนหะพอจิตมันมีสติขึ้นมามันหลุดออกมาได้มันรู้สึกโอ้เป็นสุขจังหลงร่องเบา พอใจมันตื่นขึ้นมาแล้วคราวนี้มันคอยรู้สึกกคอยรู้สึกใจอย่าไปติดอยู่ในความสุขความสบายบางคนไปติดในความสุขความสบายตรงนี้ต้องคอยกระตุ้นให้เดินต่อนะใจโล่งแล้วก็สบายตรงนี้ไม่พอนะแต่ถ้าอยากอยู่กับโลกต่อไปนานๆเพื่อจะเป็นมนุษย์ธรรมดาอยู่ในโลกยังมีความสุขแค่นี้ก็เหลือวิเศษแล้วนะอย่างน้อยใจโล่งๆขึ้นมานั้นก็ไม่เป็นโรคจิตแล้ว สบายเกิดอะไรขึ้นก็สบายใจเมีย ม, มีชู้ก็สบายใจสามีมีกิ๊กก็สบายใจยิ้มหวานทั้งวันคล้ายๆคนบ้านหน่อยๆอย <c oughs> <c oughs> ่างนี้นะไปติดในความสุขความสบายาถ้าช่างสังเกตตัวเองก็จะเห็นว่าจิตไปติดอยู่ในภพมันนึง่งว่างๆโล่งๆสบายๆใช้ไม่ได้พอรู้ทันว่าจิตติดอยู่ในภพนะจิตจะหลุดเองจิตที่มันรัก ที่จะพัฒนาตัวเองนะ้มันจะไม่ยอมไปนอนครั้งในพบใดภพหนึ่งนานๆงั้นเราสังเกตการภาวนาของเราไป เ, เรื่อยภาวนาแล้วมีความสุขนะแล้วสุขมาตั้งนานแนละ้วั้งเป็นหลายวันเป็นอาทิตย์อาทิตย์เป็นเดือนเดือนเนี่ยจิตต้องติดอยู่ในพบของความสุขความสบายความร่วงความว่างให้รู้ทันเลยจิตไปติดไปเกยตื้นอยู่ตรงนี้ไปไม่รอดแล้วถ้ารู้ทันนะจิตจะถอนตัวออกมาถอนออกมาเอง ล้วก็ภาวนาไปอีกนะเดี๋ยวมันก็ไปติดอย่างอื่นอีกก็ค่อยสังเกตเอโอ้ตรงนี้เหมือนกันหลายวันแล้วต้องไปติดอะไรอีกแล้วรู้ทันอีกนะกค่อยหลุดออกมาแต่การสังเกตจิตที่ไปติดอยู่ในภมใดภพหนึ่งเนี่ยห้ามสังเกตบ่อยห้ามสังเกตบ่อยเพราะอะไรหลวงพ่อเคยทำเนี่ยไอ้เรื่องที่ไม่เอาไหนนะทำมาเยอะแล้วนะทุกวันนี้ถึงพูดเต็มปากเต็มคาคือพอจิตไปติดตรงนี้ปุ๊บ มันไปใช้ปัญญาใช้การคิดพิจารณาเอานะ อ, อันนี้เข้าไปติดอีกแล้วสังเกตแบบไม่ให้คลาดสายตาเลยจิตไปติดตรงนี้โอ้รู้แล้วหลุดออกมาไปติดทั้งนี้รู้แล้วหลุดออกมาติดตรงไหนรู้แล้วหลุดหลุดหลุหลุ ด, ล ด, ลดไปเลอยในสุดจิตถอนปุ๊บออกมากลับมาอยู่กับโลกอย่างนี้เลยหลุดออกจากกรรมฐานด้วยในความเป็นจริงแล้วเวลาที่เราภาวนาเนี่ยเราภาวน า, น า, วนานอยู่ในภพไม่ใช่ภาวนานอยู่นอกภพนะ งั้ไม่ต้องรีบร้อนที่จะหลุดออกจากภพทั้งหมดไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาในสุดหลุดภพออกมากลายเป็นมนุษย์สารเลวอย่างเดิมเลยไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพราะงั้นไม่ต้องรีบร้อนเอาไว้ว่ามันติดนานๆหลายๆวันแล้วค่อยสังเกตดูนะไม่ใช่คอยสังเกตว่าจิตจะเคลื่อนไปจับตรงนี้ปุ๊บเออออกแล้วอย่างนี้นี่ก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอานะกลายเป็นไม่เอาอะไรเลยนไม่เอาอะไรเลยนะก็หลุดออกมาเลย คอยสังเกตเอาแต่สังเกตสบายๆไม่รีบร้อนหรอกภาวนาเราก็ภาวนาอยู่ในภพไม่ต้องกลัวติดหรอกเพราะยังไงก็ติดไม่ต้องกลัวผิดหรอกเพราะยังไงก็ผิดที่ทาทุกวันนี้ผิดทั้งหมดอนะแต่ผิดน้อยลงน้อยลงนะเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นมากขึ้นไม่ต้องกลัวว่าจะไปติดหรือว่าทำผิดทำที่ไรก็ผิดแต่ถ้าไม่ทำเลยผิดมากกว่า เราก็ต้องทำนั่นต้องมีศีลทาศีลทำสมาธิทำปัญญาค่อยฝึกค่อยพัฒนาของเราไ ป, ปใจมันรู้ทันมันจะถอยออกมาครออกคลายออกไประยะระยะนะมันจะไม่ไปติดอยู่ที่ใดที่หนึ่งพอฝึกรู้ฝึกดูของเราเรืไปทีนี้ไม่สุขแล้วถัดาจากนี้จะเห็นมีแต่ทุกข์ละใจไม่ไปหลงเพลินในความสุขไปติดเกยตื้นพวกนี้คือวิปัสสนกิเลสสิบอย่าง มิปัสนูนี่นะมันเกิดตอนที่เราเห็นสภาวะเกิดดับแล้วเห็นกายเห็นใ จ, ใจเห็นรูปเห็นนามทํางานไปเห็นไปนิดนิ ด, นดหน่อยหน่อยนะใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอใจไม่ตั้งมัน่นใจมันเคลื่อนไปหลงไปติดอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งไปเกิดตื้นอยู่ในภพอันใดอันหนึ่งจิตส่งออกนอกนะี่ที่หลงปู่ดูลเลี้ยงอยู่ตรงนี้วางทีมไม่มีไ ม, ไม่ไม่สามารถจะเห็นความทุกข์ต่อไปได้แล้วจะเพลินเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่ง แต่ถ้าเราไม่ติดตรงนี้เรารู้ทันว่าติดอยู่มันจะหลุดออกมานะใจมจะตั้งมั่นขึ้นมาอีกพอใจตั้งมั่นขึ้นมาคราวนี้ถ้าฝึกมานานพอนะสติมันอัตโนมัติแล้วเดี๋ยวมันรู้กายเดี๋ยวมันรู้ใจมันรู้ทั้งวันรู้ทั้งคืนรู้ทั้งหลับรู้ทั้งตื่นนะรู้จนน่ากลัวมากเลยมันจะเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆคิดดูถ้าเราต้องดูหนังเรื่องเดิมซ้ําทั้งวันทั้งคืนจะทุกข์หรือจะสุขทนะุกข์แน่นอนเลย สติปัญญานี่นะใช้หนังเรื่องเดิมคือเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องใจรักมีอยู่แค่นี้เองใช้อยู่อย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนไม่ทุกข์ก็ให้มันรู้ไปสินะทุกทุกทุกนะทุกเบื่อเ อ, อื่มละอามากเลยใจมันจะเ อ, อื่มละอามากเลยเ อ, อื่มยังไงก็หนีไม่พ้นไปไหนก็มีกายไปไหนก็มีใจไปไหนก็มีสตินี่เวรกรรมละไปไหนก็มีสติแต่เดิมไปไหนก็ขาดสตินะ หรู้สภาวะมากเข้ามากเข้านะจนอัตโนมัติขึ้นมาแล้วไม่ไปติดอยู่ในพบใดพบหนึ่งที่ว่างๆมีความสุขมาคอยรู้กายคอยรู้ใจมันรู้อัตโนมัติทั้งวันทั้งคืนมันจะมีแต่ความทุกข์เห็นเลยกายนี้ก็ทุกข์นะจิตนี้ก็เป็นตัวทุกข์แล้วมันทํางานของมันทั้งคืนทั้งวันมันปรุงมันแต่งทั้งวันเลยสิ่งใดเป็นความปรุงแต่งสิ่งนั้นเป็นความทุกข์มันจะเห็นลงมาทราบซึ้งถึงอกถึงใจการภาวนาถึงตรงนี้ จะเหลือแต่ทุกข์กับทุกข์กับทุกข์กับทุกข์ไม่ใช่เหมือนตอนเริ่มต้นแล้วสุกกะสุขกขกะสุขไปเรื่อยนะสุขแล้วจนเพลินในความสุขไปเลยเสร็จเลยสุกๆแล้วเสร็จเลยนะแต่พอไม่ไม่ไปติดอยู่ในพมใดพ้มหนึ่งต่อไปเนี้จะเห็นความจริงแล้วความจริงของชีวิตความจริงของโลกคือทุกข์นะไม่ใช่สุขความสุขเป็นภาพหลวงตาเท่านั้นเองถ้าเรารู้ทุ ก, กข์มากเข้ามากเข้านั้นใจมันจะเบื่อหน่าย จะเห็นเลยโลกนี้หาสาระไม่ได้เลยแต่เดิมเวลากลุ้มใจนั้นไปดูหนังแล้วหายตอนนี้ไปดูหนังก็เห็นหนึ่งเป็นภาพหลวงซาโอ้จิตใจร่างกายก็ยังมีแต่ความทุกข์ไปนั่งดูหนังนะก็เห็นอีกร่างกายก็ทุกข์อยู่อย่างนี้นะจิตใจหลงไปอยู่ในจอหนังเห็นจิตเคลื่อนไปนียโอ้จิตก็ทุกข์อีกละเนี่ยเห็นแต่ทุกข์นะไปฟังเพลงไปช้อปปิง้งไปเที่ยวดูภูมิประเทศต่างๆนะ ไปดำน้ำดูประการังดูลงไปโอ้นี่มันเที่ยสักว่ารูปว่ะนะอุตส่าห์ลงมาใต้ทะเลมาดูมันก็แค่รูปเลยว่ะไอตัวที่ว่ายกระดอกกระแดดนี่ก็รูปอีกแล้วนะดูไปดูมานะมันเหมือนกับว่าทั้งโลกกรทานนี้ไม่มีที่จะให้อยู่เลยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยไปอยู่บนภูเขาก็ทุกไปอยู่บนต้นไม้นะไปอยู่ในสวนก็ทุกไปอยู่ในน้าก็ทุกนะอยู่กลางอากาศก็ทุก มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยพอนามาถึงตรงเนี้ต้องกล้าหารเด็ดเดี่ยวแล้วเพราะว่าถอยหลังไม่ได้ละสติมนอัตโนมัติถ้าสติยังไม่อัตโนมัตินะก็ลืมลืมมันไปแต่ถ้าเราฝึกมาช่วงหนึ่งยสติอัตโนมัติแล้วมันถอยไม่ได้อ่อนบอลมันะเองขาดสติสักวันเถอะขาเหนื่อยเต็มทีแล้วมันไม่ยอมที่พักมีอันเดียวคือสมถกรรมฐานที่ที่จะพักได้คือสมถกรรมฐาน เราก็ต้องเรียนเหมือนกันสมถะสมถะไม่ใช่เรียนให้จิตซึมซึมมีโมหะบางคนเข้าใจผิดว่าหลวงพ่อต่อต้านการทําสมถะนี่โง่ที่สุดเลยนะฟังเราเดังตื้นเขินพระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งที่ควรเจริญนะคือสมถะและวิปัสสนาแต่ให้เจริญด้วยปัญญาไม่ใช่ทําแล้วมีโมหะครอบบางคนทําสมถะแล้วโมหะครอบซึมเนี้ย <Yeah. S 1> หรือไม่ก็เครียดเนี้ยนะ ตลอดเวลาอางั้นไปทำปัญหาอะไรตรงนั้นทำผิดอย่าขยันเลยเพราะเราก็หยุดไปก่อนแล้วมาค่อยมาหัดเจริญสติจนกระทั่งรู้ว่าจิตมีโมหะเป็นยังไงจิตที่ถลําใบเพ่งเป็นไงอะไรเงี้ยพอรู้ตรงนี้นะถึงเวลาเราก็ไปทำสมถะโดยที่โมหะไม่ครอบโดยที่ไม่ไปหลงเพ่งเราทำสมถะที่ถูกต้องทำแล้วเกื้อกูลกับการมีสติ ทำสมาธจิตใจได้พักผ่อนนะมีเรี่ยวมีแรงเนี่ยก็กลับมาเจริญสติใหม่มารู้กายมารู้ใจใหม่ทำสมาธไม่ได้จริงๆบางคนมันทำไม่ได้จริงๆนะฟังซีดีหลวงพ่อไปสบายใจแล้วฟังถ้าฟังแล้วสบายใจก็ใช้ได้นะถ้าฟังแล้วลุ่มใจอย่าไปฟังนะถ้าสบายใจใจก็จะค่อยๆสงบขึ้นมาหรือคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงครูบาอาจารย์อ่านประวัติพระสาวกอะไรอย่างเงี้ย เราทำฌานไม่เป็นนะเราก็ทำความสงบด้วยการคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรพวกนี้นะจิตใจได้พักผ่อนบ้างใช้คำว่าบ้างนะไม่เต็มที่อ่ะคล้ายๆวิ่งไปกิโลหนึ่งแล้วหยุดหอบสักหน่อยเดี๋ยวก็วิ่งต่อยังมีการหยุดหอบหน่อยไม่ใช่วิ่งจนล้มขาทีนะ่ไม่เหมือนคนซึ่งทำฌานได้จริงนะเขาก็เดินวิปัสสนาไปถึงเวลาเหมือนคนเดินทางไกลนะถึงเวลาตกค่าเข้าโรงแรมหรูหรา อาบน้บําอาบผ่ากินข้าวนอนสบายอะไรอย่างเงี้ยดันั้นคนเขาทาชาญได้คนทําไม่ได้นะเหมือนคนวิ่งหอบแฮกแหกเหนื่อยทีนเขาหยุดทีมีแรงแล้ววิ่งต่อนะก็ต้องอดทนเอาคนส่วนใหญ่บรรู้มากผลด้วยวิธีนี้นะคนส่วนใหญ่ทําชาญไม่ได้มีสถิติอันหนึ่งที่น่าฟังมากเลยสถิตินี้เกิดในสมัยพุทธกาลพวกเราเคยได้ยินบ่อยๆใช่ไหมว่าก่อนจะทําพิพิธศนาต้องทําสมาธิก่อน ต้องทําฌานต้องทําอะไรให้ได้ก่อนมีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่นะแล้วท่านก็เทศขึ้นมาบอกว่าภิกษุพระอรหันต์ของท่าน500องค์เนี่ยนะในห้าร้อองค์เนี่ยท่านจําแนกสัสดส่วนไว้มีได้วิชาสามนะหกองค์ได้อภิน ญ, ญา6กหองคนะ์แล้วก็ได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาเนี่ยหกองค์ รวมแล้วพระทึ่ทรงฌานจริงๆนะมีเท่าไหร่60คูณสารแปดเอาห้าร้อยตั้งลบด้วยร้0ยปดสิบได้เท่าไหร่320ยสิคิดเลขเก่งถ้าจะคิดเลขเก่งใช้ได้320ี่สนะจากห้าร้อยก็คือ 64% สเอร์เซนะสมัยพุทธกาลเนี่ยอร์คือพระสุขข่าววิปัสสกะ แล้วพวกเราอาจจะมีปัญญาเหรอจะได้วิ ช, ชาสามะปัญญาหกจะทรงฌานทรงโน้นทรงนี้นะมันจะสักกี่เปอร์เซ็นตน์ขนาดคนรุ่นโน้นบา ร, รมีแก่กล้านะคนส่วนน้อยหรอกที่ว่าทรงฌานก่อนนะชำนาญชํานี้ชำนาญในฌานก่อนส่วนใหญ่ก็คือเหมือนพวกเรานี่เองนะทำฌานไม่เป็นหรอกก็ค่อยภาวนามีสติรู้กายรู้ใจไปภาวนาไปแบบลําบากแบบแห้งแรงเรียกว่าสุขวิปัสสกะ พอนาแบบแห้งผากแห้งผากจริงๆนะภาวนาไปแล้วโอ้ทุกทั้งนั้นเลยจะเบรกก็ไม่ค่อยจะเบรกเบรกไม่ค่อยอยู่เห็นแต่ทุกทั้งวันเห็นแต่ทุกทั้งคืนฝึกไปนะจนใจมันเอื้อมเออกับความทุกข์นะแล้วมันก็รู้ว่าหนีไม่ได้ในที่สุดใจยอมรับความทุกข์นะตัวนี้สําคัญแะ้อยู่กับทุกข์นะหาทางหนีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พ้นหนีไปขึ้นภูเขาขึ้นต้นไม้ขึ้นไปเรือบินลงใต้ใตใน้ำํำก็ความทุกข์ก็ตามไป หนีไม่พ้นหนีไม่พ้นต้องอยู่กับมันรู้แล้วว่าหนีไม่ได้ใจก็ยอมรับแนละ้วเอาแล้ววะอยู่ก็อยู่กับมันใจเป็นกลางกับความทุกข์นะภาวนาไปนะถึงจุดหนึ่งนะใจจะเป็นกลางกับความทุกข์เห็นนะมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยถ้าใจเป็นกลางมากเข้ามากเข้านะในสุดใจเนี่ยเป็นเกิดคนไกอัตโนมัติอย่างหนึ่งเพราะมันเห็นทุกข์เต็มที่มันจะสลัดตัวออกจากทุกข์ได้อันนี้เป็นเรื่องแปลกมากเลย เพราะเรารู้กายเรารู้ใจนะจนเห็นมันทุกข์ล้วนๆเมื่อไหร่นะถึงวันหนึ่งเนี้ยจิตมันจะสลัดตัวออกไปจากขันมัไม่ยุดเนี่ยไม่ยุดในขันนะขันก็ยังทุกข์ของขันต่อไปหรอกแต่จิตมันพ้นออกไปจากขันนี่วิธีปฏิบัตินะตั้งแต่เบื้องต้นมาก็หัดมีสติรู้กายรู้ใจไปอดทนต้องอดทนเพราะว่ามันจะซ้ำซ้ำซากซดูกายดูใจซ้ำซากไปจนสติอัตโนมัตินะพอสติอัตโนมัติขึ้นมาสติทีแรกก็มีความสุขดีหรอก ปัสติยาตนมัติขึ้นมารู้ทั้งวันรู้ทั้งคืนคนนี้จะเจอทุกข์สาหัสสกันเลยไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกนะเพราะรู้ทุกข์นั่นแหละถึงจะเรียกรู้ธรรมเพราะความทุกข์เป็นความจริงของพระอริยะถ้าใจไม่รู้จักทุกข์ก็ไม่เป็นพระอริยะหรอกนะนะพระอริยะรู้จักสัจจะความจริงข้อแรกก็คือทุกข์นั่นเองนะรู้ทุกข์หน้าจนใจหมดแรงดิน้น หมดสมูทไทยไม่ดิ้นละหนีก็ไม่พ้นละนะปฏิเสธก็ไม่ได้ละหมดแรงดิ้นนะยอมจำนน <c oughs> ยอมจำนนนะสู้ตายสู้ตายแล้วก็รู้เลยตายแง่แก่แล้วคราวนี้นะความทุกข์ถลุงเอาทะลุงเงานะไม่มีทางรอดละแล้วลก็ไม่มีทางหนีด้วยในสุดใจมันเห็นทุกข์แจ่มแจ้งนะทุกข์มันบีบคั้นนะสลัดตัวเปลี่ยงออกไปเลยนะ มันพ้นกันตรงนั้นแหละมันพ้นตรงที่รู้ทุกข์แจมแจ้งครูบาอาจารย์ถึงบอกว่าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหนกนะบางท่านท่านก็สอนนะนิพพานอยู่ฟากตายแต่พวกเราไม่ต้องตกใจนะอนิพพานอยู่ฟากตายเนี่ยมันขั้นสุดท้ายแล้ของเรายังไม่ถึงขั้นตายหรอกภาวนาแล้วที่สําคัญนะไม่เห็นใครภาวนาแล้วตายสักลา ย, ยาเลยแต่ไม่ภาวนาก็ตายหมดทุกไ ล, ลนะ์แหละงั้นไหนๆก็ต้องตายแล้วนะ ตายอย่างลูกพระพุทธเจ้าสทัทีตายอย่างเฉียดมานานแล้วนะเราตายอย่างลูกพระพุทธเจ้านะตายด้วยการปฏิบัติรู้สึกกายรู้สึกใจไปนะรู้สึกไปหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วดูจิตไม่ไหวเข้ามาดูกายดูจิตก็ไม่ไหวดูกายก็ไม่ไหวทำความสงบเข้ามาทำความสงบลึกซึ้งไม่เป็นนะคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงความตายนะ คิดถึงทานคิดถึงศีลคิดถึงสิ่งดีงามที่เราเคยทํามาคิดถึงครูบาอาจารย์อะไรย่างเงี้ยคิดถึงสิ่งเหล่านี้จิตใจสงบจิตใจร่มเย็นอนุสติก็เลยเป็นกรรมฐานสมถะกรรมฐานที่ง่ายๆง่ายๆใช้คิดเอาพวกเรานักคิดอยู่แล้วนักคิดอาชีพนะแทนที่จะให้มันคิดร่อนเรื่เรๆเปล่อยไปก็มาคิดเรื่องกายเรื่องความตายเนี่ เรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องทานเรื่องศีลอย่างเงี้ยคิดอย่างนี้ใจก็เขาเคลียในอารมณ์ที่เป็นกุศลนี้ไม่นานก็สงบหรือบางคนนะอยู่ใกล้บางแห่งเขามีวังมัดฉาไปซื้ออาหารเลี้ยงปลาอะไรเงี้ยดูปลากินอาหารใจที่กําลังเครียดๆนั้นไปดูน้ําดูปลาอะไเนี้ยค่อยผ่อนคลายพอใจผ่อนคลายใจมีความสุขนะกลับมาดูจิตใจได้อีกล้เห็นเลยจิตใจมีความสุข เด็ก็ต้องรู้จักนะว่าเราทําได้แค่ไหนเราทําสมาธิทำฌาาญไม่เป็นอย่างคนอื่นเขาก็อย่าน้อยเนื้อตําใจเป็นพระอราหันต์ได้เหมือนกันแล้วส่วนใหญ่ด้วยเป็นเสียงข้างมากด้วยเพราะที่สรงฌานไม่ได้อะเรามีทรัพยากรจํากัดนะแต่ละคนพวกเราถึงได้ตกรุ่นมาอยู่รุ่นนี้เราไม่ได้อย่างพระอราหันต์ในยุคพุทธกาลหรอกไม่ได้ขนาดนั้นหรอก เราเอาแค่ความพ้นทุกข์นี่แหละพอละความบริสุทธิ์ของจิตนะ่ะอันเดียวกันนะอยู่ที่ฝึกเอานะมีสติรู้กายรู้ใจไปมีสติรู้กายรู้ใจแร้ๆก็มีความสุขเห็นเลยต่างกับโลกเยอะเลยฝึกไปฝึกไปเหลือแต่ทุกข์แต่ต้องใครสังเกตใจเรื่อยๆนะใจไปติดไปค้างไปคล่องอยู่ที่ไหนนานๆคอยรู้ทันมันอย่าสังเกตใจตลอดเวลาสังเกตตลอดเลยว่าเกาะตรงนี้ปุ๊บ ต่อตรงนี้ปุ๊บรู้ทันเร็วๆอย่างนี้นะเดี๋ยวจะหลุดออกจากการปฏิบัติเลยุลดออกาอยู่ในโลกอา้าวแล้วจะดูอะไรวะดูอะไรก็ไม่ได้สักอย่างนะใสพบนั่นแหละใสพบนั่นแหละเรียนรู้ความจริงพบทุกอันมีแต่ความทุกข์พบทุกอันนะสอนความทุกข์ให้เราท่านนะั่นแหะถ้าเรามีสติมีปัญญามองเห็นนะงั้นบางคนก็มีพบที่หยาบยา อยู่กับโลกเนี่ยตีกับสามีดา่ากันไปดา่ากันมาเห็นใจที่เดือดร้อนๆนี่พบของสัต์นรกกำลังเกิดขึ้นเ้ารู้ไปนะเดี๋ยวโทรสามก็ดับไปบางคนประนีตทำสมาธิทำฌานใจโล่งใจว่างมีแต่ความสุขนี่ก็เป็นพบเหมือนกันพบละเอียดนะมีราคาที่ละเอียดแทรกอยู่ดูยากว่าเป็นความทุกข์ถ้าเห็นความแปรปรวนของมันก็รู้ว่าทุกข์อีกให้ฝึกเอาไม่ยากเท่าที่คิดหรอก ฝึกแล้วถึงจะรู้ว่าธรรมะของจริงนะทําเราพ้นทุกข์จริงๆทําเรามีความสุขความสูงไปโปรยที่หลังตอนนี้ยังทุกข์อยู่ยจะมีแรงสอนได้อีกสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแก่ลงทุกวันแล้วอีกหน่อยก็เหมือนครูบาอาจารย์ละมาถึงอ้ามานั่งทําทานไปถือศีลไปฝึกเข้านะเพียนเข้า เอ า, ารับฟอนกลับบ้านไปที่หลวงพ่อเทศไว้นะเขาทำซีดีทําอะไรไว้เยอะนะทนําหนังสือไว้เยอะหนังสือก็มีหลายอย่างนะหนังสือที่หลวงพ่อเขียนเองเนี้ยมันจะมีลักษณะของเทคนแต่อย่างที่เป็นเทศแล้วถอดมาเป็นการ์ารเนี้ยอันเนี้ยจะมีปัญหาเหมือนกันในการฟัง คนนี้ฟังกันนี้คนนี้ฟังกันนี้บางทีศัพท์คําเดียวกันใช้กันคนละแห่งเนี่ยความหมายมันก็คนละความหมายละงั้นวะเอาไปทะเลาะกันได้นะคนฟังวันนี้หลวงพ่อว่าอย่างนี้วันนี้หลวงพ่อว่าอย่างนี้ต่างหากเนะี่ยจริตนี่ใส่คนมันไม่เหมือนกันนะขนาดในพระไตรปิฎกก็ยังมีธรรมะอย่างนี้เยอะแยะเลยนะอย่างวันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านบอกบอกว่ากาลยานามิตรเนะี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ กาลยานามิตรนะเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ผ่านไปนานๆนะท่านเทศให้อีกคนหนึ่งฟังนะบอกว่าโยนิโสมนัสิการเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์คราวนี้นักคิดจะงงแล้วเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าสอนสองวันไม่เหมือนกันหรือว่าจะต้องกาลยานมิตรบวกโยนิโสมนัสิการเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นี่เริ่มคิดคิดเลขแล้วมีเลขบวกนะถ้างั้นแสดงว่าที่พระพุทธเจ้าเทศเนี่ยไม่สมบูรณ์สิ แม้ต้องเอาหลายๆวันมารวมกันถึงจะสมบูรณนะ์เอาไงแน่กาลยานามิตรเป็นทั้งหมดของพรมาจรรันทร์หรือโยนิโสมานสิการเป็นทั้งหมดของพรมาจรรันทร์มันทั้งหมดของพรมาจันท ร, ร์สําหรับคนคนนี้นะธรรมะแต่ละอันแต่ละอันไม่เหมือนกันหรอกเฉะนั้นเราเรียนธรรมะอย่าไปกัดอยู่ที่ถ้อยคำนะกัดอยู่ที่คําพูดแล้วเสร็จเลยดูที่เนื้อหาสาระว่ามันจะปลดเปลื่องใจออกจากกิเลสจากกองทุกข์ได้ไหม ไม่งนอ่านแล้วงงหรือคิดมากกว่านั้นอีกนะคิดแบบเขาเรียกอะไรตักกศาสตร์พระเจ้าบอกโยนิโสมนัสิการเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์อีกวันหนึ่งกาลยานามิตรเป็นทั้งหมดของพระหมจรรย์เนี่ยเพราะงั้นสองอันนี้เท่ากันใส่เท่ากับเพื่ตรงกลางตัดสิ่งที่ซ้ําออกเพราะงั้นกาลยานามิตรคือโยนิโสมานสิการบ้านหนักเขาอีกนะ <c oughs> <c oughs> คิดมากนะ งเรียนธรรมะอย่าเอาโลกจิตชนิดนี้มาใช้ขนาดพระพุทธเจ้าสอนนี่ยังมีอย่างเนี้ยหลวงพ่อพระปลายแถวสอนเนยไม่งามในเบื้องต้นท่ามกลางในที่สุดเหมือนที่พุทธเจ้าสอนน่ะงั้นถ้าเรามากัดถ้อยคํานะหลวงพ่อพูดอย่างเนี้ยอีกคนหนึ่งบอกหลวงพ่อพวกนี้แล้วทะเลาะ ก, กันได้ไหมทะเลาะ ก, กันได้แน่นอนรับรองนะงั้นถ้าสงสัยจริงๆนะย้อนไปดูสิ่งที่เป็นเทคนะที่หลวงพ่อเขียนไว้ สิ่งที่เป็นเทคนิคจริงๆจะไม่ยาวหรอกนะอย่างวิถีแห่งความรู้แจ้งเวอร์ชันสองนะดูมันจะมีสาระครอบคลุมอยู่ถ้าออกนอกแนวนี้ใช้ไม่ได้แล้วแต่รายละเอียดลีลาในการเดินทางเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกลนะีลาของใครก็ของคนนั้นถ้าเดินของแต่ละคนยังไม่เหมือนกันเลยลีลาดาเดินของจิตแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันหรอกนะั้นเรา ศึกษาธรรมะนะครอยระวังนิดหนึ่งเอาธรรมะที่ครูบาอาจารย์สอนนะมาทะเลาะ ก, กันได้ลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันเถียงกันได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยสมัยพุทธกาลทําไมพระแตกนิกายอะพอปรินิพพานใช่ไหมพระมหากัสสปะทาสังคายนาพอสังคายนาเสร็จมีพระอาหารหันต์อีกกลุ่มหนึ่งมามาไม่ทันพระมหากัสสปะบอกท่านสังคายนาเสร็จแล้วให้รับรอง พระที่มาใหม่นะท่านก็บอกว่าโอ้ท่านสั่งขยนาแล้วก็อนุโมทนานะแต่ผมจะเชื่อในสิ่งที่ผมได้ยินมาจากพระพุทธเจ้าเห็นไหมแต่เราคนได้ยินไม่เหมือนกันนะเลยเชื่อไม่เหมือนกันขึ้นมาแนละ้วเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเลยเป็นเรื่องปกติเงั้นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันเดียว่าแต่ลูกศิษย์หลวงพ่อลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะยังมีความเหลื่อมในความรู้ความเข้าใจคนละแง่คนล ะ, นล ะ, นละมุมอย่างบางคนหลวงพ่อบอกว่าไปเดินจงกรมสิ บางคนหลวงพ่อบอกไปทำสมาธิก่อนนะบางคนหลวงพ่อบอกเฮ้ยสมาธิที่ทำอยู่เลิกไปแล้วจะสรุปว่าหลวงพ่อสอนให้ทำสมาธิหรือสอนไม่ให้ทำสมาธิอ่ะนงั้นต้องระมัดระวังนะในการเรียนธรรมะอะไรเป็นหลักอะไรเป็นลีลาการปฏิบัติของแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกอะนะเชิญไปทันข้าวนิมนต์เลยครับ